วันนี้ก็เป็นวันที่สองเดือนสิงหาคมลำรับวันนี้ก็คงจะพูดให้ลำคานิดหน่อยดีไหมเพราะว่าถ้าจะเอาพระสูตรเข้ามาแทรกคงจะไม่มีเวลาตั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อตอนกลางวันมีญาติโยมพุทธบริษัทถามเรื่องกรรมฐ า, านก็วันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นในด้านสมถะภาวนา คือการเจริญกรรมฐานก็หายถากึการทำสมาธิสมาธินี่ก็มีหลายขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคำนิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอัปนาวสมาธิสมาธิขั้นชาญขึ้นไปแต่ขั้นชานี่ก็มีชานที่หนึ่งที่อสองที่สามที่สี่เป็นรูปฌาน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 ถ้าทำมาในด้านกุศลเร็วสมาสมาธิคือคำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปนนจะคืนผู้จะํำคัญในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยนี่มีการทรงตัวไม่ได้แน่นอนนักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมดให้ใช้อนาปานุสิตสติก่อน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 เวลานั้นไม่มีลมอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นเชื่อจิตเป็นสมาธินานาปานาปานุสตินีการทรงสมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> ทรงไม่ได้นานอย่างเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหรือว่าภาวนาร่วมมันก็จะสามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักปเดี๋ยวเดีย ว, ยวนาทียังบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมาก อารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจากรู้ให้ใจเขาออกเผลอไปเมื่อเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปควมนึกขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งตนใหม่ก็ไม่ได้นาน น, นักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่มักานิ迦สมาธินี่าว่ากระทึงอนิสงส์ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททำสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้ คืออารมรู้ลงาห้ใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทำจนชินแต่ก็สงไม่ได้นานอย่าถ้าจะถามว่าจะมีไนสงฆ์ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนปริาติไปไหนวาที่นี่น่ากุยไปวัดธาตุทองถามว่าตายแล้วไปไหนแต่อารมณ์ของคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ ก็ อ, อาจจะเป็นเทวดาขั้นพุทธเทวดาแนละลูกเทวดานี่เป็นได้แน่การรวมความว่า้ายาทโยมพระติบริษัททรงอารมณ์ได้แค่ขณิกะสมาธิอย่างกับเรารู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยภาวนาที่ใช้กันจนชินและนโยมในการใช้ก็คือพุโทโธแต่ว่าในที่นี้ไม่บังคับรวมการภาวนาและญาติโยมนะใครภาวนาอย่างไหนคล่องใช้ได้หมด แต่ว่าทางเขาฝึกใหม่ๆในตอนแรกแรกเขาใช้คําว่าพุทโธคําว่าพุทโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ําเป็นกรรมฐานที่สูงมากพระพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้ากําลังใจเข า, า, าบรรดาญาติโยมพระเบญสัตสรมรกำลังใจชินในพุทโธเวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธร้าย ใ, ใจออกนึ ก, กว่าโท แต่ว่าเวลาให้ใจเข้าจะออกนี่ต้องแบบต้องทาแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมให้ใจแต่บางทีลมให้ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูก <c oughs> เรื่องลมให้ใจนี่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายเขาพอใจคือ ข, ขนาดไหนสบายใจเขาร่างกายร่างกายมาหายใจเบ า, บาหรือหนักก็าตามปล่อยแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบ ถ้าท่านจำนาแนนาปานุติแค่เล็กน้อยพระพุทธโธด้วยอย่างนี้ถ้าเบื่อเอิญจะตายกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถวนาว่าพุทธโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทำบาปม า, มากแสนมากเว้นไว้แต่อน า, นานันตรียกรรม <c oughs> คำว่าอน า, นานันตรียกรรมนี้เป็นบาปหนักเช่นทำพุทธเจ้าให้หอบโรหิตทาสงให้แตกกัน ข่าพระหารข้าพ่อข่าแม่ทาสังฆเพศคือทำสงครามแตกกันี้ต้นถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ <c oughs> ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้เพียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างใหม่ภาวนาบ้างจะมีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลา <c oughs> หรือว่าภาวนา ว, ว่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรก แล้ว่าคุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงในกันตัวอย่างที่ น, น, นี่เป็นอว่าพวกเราญาติโยมบริษัทนี้ถ้าภาวนาว่าพุทโธก็ดีถ้าเห็นพระพุทธรูปก็าตามทุกคนมีความเคารพสําหรับคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนและก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยต้องการให้ท่านช่วยพ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบาย เพราะว่าป่วยหนักใครๆก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอรักษารัพย์สินมีก็เป็นาารูปมหาเศรษฐีซั์สินที่มีพ่อแม่ก็ใช้ได้รับไม่กล้าซื้อยาจากตลาดเพราะเกรงว่าจะแพงไม่กล้าหาหมอเกรงจะชิ่งกันมากก็เก็บยามารักษาลูกลูกเห็นว่าพ่อกขดีแม่ก็ดีรัพย์สินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กู น, นี้เขาไม่ได้นับถือพุทธรรมศาสนา ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมืองนั้นเดินผ่านนาบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกือไหวแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกขเวทนามากเขาก็นึกว่าคนเข้าเรือกันว่าพระสัมมโคโดมพุะใจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยหนะักคอยพระสัมมาสัมดมมาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั้นเขานึกถึงพระพุทธเจ้า แต่มไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอิญตายไปเวลานั้นพอดีเพราะสรรการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าอยู่ไวแต่บุญน้อยนิดเดียวก็ไปเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคําไม่ได้อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคําว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทองคำล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> มีนาวะมัตติกุลีเทพบุตร เออมันพูดมาถึงตอนนี้ก็ขอพูดต่ออีกหน่อยต่อหน่อยได้ไั้มฟังมามากเลยนะลืมยังก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปก็นักอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ที่เวลาตอนเช้าตื่นใหม่ๆล้างหน้าเสร็จก่อนบริโภคอาหาร ก็ไปยืนที่ปากหลุมหลุ ม, ลมปากหลุมศพที่ฝังลูกไปพันนาคอยลูกกลับมาตามเดิมสําหรับมัตตากุนาีเทพุทธเพิ่มเป็นลูกชายอยู่ที่บนวิมานก็พิจารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีจังหูเกลียงเป็นทองเกลียงเพราะอาศัยบนอะไร ก็ทราบว่าตนเองนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริหารสดาไม่เคยมีความครบรมาก่อนไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้แต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงอยากให้ท่านมาช่วยหายจากป่วยไข้ไม่สบายก็ใสเพียงเท่านี้เป็นบุญเป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาได้ก็มองมาดูเมืองมนุษย์เห็นพ่อไปยืนร้องไห้อยู่ที่ปากหลุมเธอก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเรา เมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีเราป่วยไข้ไม่ส บ, บายยาก็ไม่กลา้าซื้อจากตลาดหมอก็ไม่กลา้าหาหาอมาศากเป็นคนซั์สินจะหมดเวลานี้เมื่อเราตายก็มาคนคุ้นคังให้เรากลับต้องไปปลอบรมนพเธ อ, อยังแปลงกายคล้ายๆกับคนเดิมลงมาใกล้ๆเธ อ, อก็ยืนร้องไห้บั่งพ่อร้องไห้พี่ก็ร้องไห้ ท่านผู้เฒ่าเห็นคนชายหนุ่มร้องไห้ก็สงสัยว่าเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ถึงไข่ก็เข้าไปถามถามว่าโพบิสะบูดูกรมรดผู้เจริญเธอร้องไห้เพื่อเรื่องอะไรเธอก็ถามท่านผู้เฒ่าว่าท่านร้องไห้เพื่ออะไรท่านผู้เฒ่าสมหาสถีก็บอกว่าร้องไห้ถึ ง, ถ, งถึงลูกลูกที่ตายไปอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ เธอคนนั้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคาอยู่หนึ่งคันสวยงามมากยังหาล้อไม่ได้อยากจะได้ล้อถ้ามาหาเศรษฐีกคิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายๆ ล, ลูกของเราถ้าเราได้ไว้เป็นลูกคนทำจะทำให้เราจะสบายใจมากยังถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคำหรือล้อแก้วมันนีจะหาให้ แม้แต่คุณบันลีเทบุตรก็บกนึกในใจว่าพ่อของเราเมื่อเร า, เราอยู่แม้แต่ยาก็ไม่กล้าซื้อตัวเสียเงินนี่ให้เราแปลงกายคล้ายๆลูกคนเก่ากับเสดสจสระแม้แต่ล้อทองคำและล้อแก้วมัลีเออยึงแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อข้าแล้ลอที่แต่พรามฟังแล้วก็ตกก็โกรธ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 จบจบยังยังไม่จบเขาเล่าด้นล so, ัดเวลามีน้อยว่าจะไม่มีพระสูตรนะมาเข้าจนได้นะก็เป็นนั้นว่าในที่สุดเธอก็ประกาศตัวว่าตัวเองนะคือมาตยุกลวลีที่บดที่มาลูกชายเวลานี้ไปเกิดปิฏิวดาบนสวรรค์ชั้นได้ดึงสถิวโลกท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้เพราะบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยพระสมณโคดมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมก่อนจะตาย พ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศททำไมยังมีบุญเธอก็ยืนยันบอกแค่นึกถึงว่าต้องการรักษาโรค ก, ก็เป็นเทวดาได้จึงแนะ น, นำพ่อราว่านับตนบััินี้ต้นไปเห็นละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระพุทธเจา้าคือพระสมณะโคดมกับภาาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาตร <c oughs> ในที่สุดเธอก็ลากลับไปเป็นเทดาแก็ลากลับไปพ่อกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านมาทำกับข้าวมากๆหุงข้าวมากๆวันนี้วันนี้จะเลี้ยงพระสมณะโคดมพระสาวกในที่สุดพราหมณ์ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าแต่การไปเฝ้าพระเจ้าัคศัพทาคำว่าเฝ้านี่สภาพมากเกินไปถือว่าเขาไมหาพระพุทธเจา้าก็แล้วกันเวลานั้นคนก็มีสองพวก พวกเดิมของเขาทึม่มาถือพระเจ้าอยู่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราดูพรามคนนี้ไปย่ํายีพระสมณโคดมอีกพวกหนึ่งที่นับถือพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะไปดูพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพรามคนนี้ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นว่าคนที่ไปดูไปไปตามพรามนั้นก็เป็นคนสองพวกด้ยกันพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถามเขาก็ ถามว่าพระสมณะโคดมเขาเวลานั้นถ้าเรียกชื่อกันแสดงการไม่เคารพนะถามว่าพระสมณะโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยฟังเทศจากท่านคนที่ไม่เคยใส่บาตรให้ท่านแต่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้ไปเกิดบนสวรรค์มีไหม <c oughs> พระพทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้สถาคต <c oughs> คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อสถาคตอย่างเดียวตายและไปเกิดบนสวรรค์ไม่ชนะร้อนนพันน้หมื่นนับเป็นโกดธแล้วท่านก็ บ, บอกว่าเมื่อตอนเช้านี่พรามไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สมเดจประจอมไตรประมศาศดาก็ทรงนึกถึงัต่กุณลีเ ท, ทยบุตร ว่าขอยมัตตกรลีเทพบุตรจงมาพร้อมบีมานเขาเรียกนะไม่เช็นึน ก, นกอะไรเฉยๆเรียกให้คนเอ็งได้ยินว่าเวลานี้มัตตกรลีเทพบุตร อ, อยู่ท่านดาวดึงจงมาที่นี่พร้อมด้วยบีมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมัตตุรลีเทพบุตรบีมานเขามัตตกรณีเทพบุตรก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระโษะตษผลมัตตกรลีเทพบุตรก็ลงจากวีมานมาไหวพระเจ้า เมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระเทพรัตน์ ก, ก็ทรงเทศเมื่อเทศจบปรากฏว่าตรุษลาฬีเทวดาเป็นมรสดาบันพ <c oughs> รามพ่อก็เป็นมรสดาบัน <c oughs> คนที่ไปยืนฟังทั้งสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาบันไปลมมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแม้แต่ญาติโยมพระตํารวจเจริญกรรมฐานขั้นคณิกะสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กน้อย แต่อย่าลืมว่าทุกคนก่อนที่จะภาวนาก่อนจะรูล้ลมให้ใจเขาออกทุกคนก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอย่างพระเดกุณลีเที่ยตรนี้เขาไม่เคยเคารพมาก่อนแต่หลังจากนั้นทุกท่กานก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าบังเอิญเวลาจะตายท่านนึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวก่อนหน้าจะตายไม่ใช่ใกล้ตายเลยทีเดียวนะแน่นก็ะไมยความว่าขนาดที่ป่วยใหม่ๆ ซึ่งเกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามหรือว่าการชินเครื่องราภาวนาก็ตามนึกถึงคำว่าพุโทโธแ ล, ล้วมลหายใจเขาออกด้วยความเคารพด้วยความจริงใจถ้าทำอย่างนี้เวลาตายเวลาวนั้นเขาญาติโยมพระทวิษัจจะไม่ไปในรกนี่ก็ถือว่าเป็นผลของกฎิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย <c oughs> อย่างพระเจคุณีเทบุตรเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวแล้วไม่จะมีความขอรบแต่เขาไปสวรรค์เช่นดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกันที่องลงพาวสมาธิในตอนต้นเลี้ยวคณิกัสมาธิไม่ว่าจะทำได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าเพิ่งท้อใจก็มีหลายท่านบอกจิตมัสงบไม่พอท้อใจเลยเกินก็จรงไม่น่าจะท้อเพราะการจเจริญกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนา ต่อไปก็เป็นอุปจาระสมาธิคําอุปจาระสมาธิเนี่ยแปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาแต่ยังไม่ถึงชาแต่จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจาระสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอินใจเวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแล้วก็ตามมีความชุ่มทื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายพอใจในการเจริญภาวนาอย่างนี้ที่เรียกว่าปีติและอุปจาระสมาธิ พอเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการงปีติมีห้าอย่างวันนี้ญาติโยมถามเรยกเรื่องนี้มาพูดเพื่อความเข้าใจอาการงปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยองเกล้าวเวลาที่นั่งภาวนาไปมีขนลุกสู่飒飒ลุกคนลุกมากบ้างน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ําตาไหล ภาวนาไปก็ดีใจแต่ก็ตามขนาดที่เจริญทัง้งกรรมฐานเรื่องกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ําตาก็าไหลแล้บางขณะที่ทําไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้าตาก็าไหลที่บางวันนี้มีคําถามถามว่าร้องพัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้ําตาไหลเพราะอาการของปีติ อาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกขนาดโยกพลังจะจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะแล้อาการที่สี่ปีติที่สมีอาการเต้นเหมือนปลุกพระแร้วบางทีตัวลอยหัวอากาศอาการที่ห้ามีจิตทรัพย์สั้นนรกสุดเ้า่ากายเบาอันดับแรกจะซื้อสุวรรหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น ้ต่อไปก็เหมือนลมริ้วๆไหลออกจากกายในที่สุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกายไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกว่ามีหัวเจ้าหัวมันใหญ่ใจสบายที่สุดอันนี้แปลกายเขปีติที่ห้ากรงความอาการทั้งห้าอย่างคือหนึ่งขนลุกสู่ซาสองน้ำตาไหลสมร่างกายโยกโคลงสีตัวลอยอากาศและเต้นปั๊บๆตามห้ามีอาการซาบซ่านทั้งหมดนี้ถ้าเกิดขึ้น คล้อยปล่อยไ ป, ไปไปเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอยนี้ถ้าเกิดขึ้นนะจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานมันเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปจีจิตสงบมีอาการนิ่งมีจิตสงบดีตอนนิ่งสงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องต้นเข้าถึงฌาน ตอนนี้จิตยังเข้าถึงฌานไม่เข้าถึฌานยให้สังเกตตามนี้ถ้าเป็นฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมไม่ฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเริ่มสบายมีรมเป็นสุขแต่หูของคนทุกคนในบรรดา้ ย, ย่าโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะ ก, กันเสียงสุ น, นัเขเห่าเสียงอะไรทั้งหมดดีหมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้หาหากว่าฌานแล้วก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกยังมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทตะภาวนาพุทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากับปกตินิดหน่อยต่อไปแ้ากําลังใจเข้าถึงฌานที่สองท่า น, นี้ ว่ากัถึงหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะรำคาญแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชานี่ชาญที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสุภหเอกคตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึก สวิจัยค่าไตรตรองสมปีติมีความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมากห้าเอกตามมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือในหมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าถ้าลมอารมณ์จับลมหายใจเข้าออกก็ดีภาวนาก็ตามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบกวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่อยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้พิจารณาได้ตามปกติ อย่างนี้แปลงกายเขาฌานที่หนึ่งพอถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สอง น, นเหลือองค์สามเหลือปีติสุตเอกตาวิตกวิจารณ์หายไปคําว่าวิตกคือตรึกวิจารณ์คือตรองนี่ถ้าอ่านหนังสืไม่ค่อยเข้าใจอาจารมาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศด้วยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกฌานที่สองตัดวิตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเคลื่อนละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคาว่าตัดนี่ตกแตวิจัยยังไงว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนารู้ว่าภาวนาถูรลพิดตัวนี้หายไปเลยตรวมความว่าตอนทานที่สองขึ้นไปนี่คำภาวนาหายไปไม่มีคำภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิตถ้ายังอยู่แค่ในบริเวณของฌานที่หนึ่งและต่ำล ง, งมานี่ภาวนา พอเริ่มถึชาดีสองปั๊บจิตละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีลมสูงกว่าอิ่มอิมเอเบกว่ามีความแนบสนิทกว่าดีกว่าชาดที่หนึ่งมากถ้าถึงชาทีสองใหม่ๆพอสักว่าเดียวหนึ่งชาดีชาดีสองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชาดีหนึ่งคนนี้ตกใจนึกเอ้ยกูหลับไปตั้ไงหวาได้ลืมบาทว่ายุ่งแบบ ภา ว, วนาพุทโธภนาไม่ถูกเอาไม่ถูกแน่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรไปอะไรไอ้ด้านอา ก, การนั่นคือขึ้นไปถึงฌานที่สองมีความชุ่มชื่นมีความเอิบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตทรงตัวดีพอถึงฌานที่13ามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองเราไม่ต้องช่วยตัดนะเราช่วยตัดไม่ได้พอถึงฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปแเรได้สุขกับเอกกับตา ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทางด้านงปิตศาสตร์ร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็ตามจะมีความรู้สึกเหมือนกับร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรงนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมากร่างกายเหมือนไขมัดไม่แน่ น, นจะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่กำลังใจทางหูยินเสียงน้อยลงเบาลงจิตเครียดตึงเป่งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลการกัญชาที่สามอาการกัชาที่สี่ชาที 4, า่สีก็ตัดฉกทิ้งไป เ, าาเกิดเอขึ้นตาไอเดกตาเอขตาคืออารมณ์บันหนึ่งอารมณ์อันเดียว <c oughs> <c oughs> เพิ่มอบเบคขาเข้ามาอาการกัชาที่สีที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจีิงอาจารย์หนึ่งสองสาก็มีสาขั้นนะอย่างละสามขั้นนะ เวลามันน้อยกายการกอาจารย์คุณชาณิสีขเขาทั้งผู้เขาพูดสองขั้นตามอันตามอันดับคุณชาญถ้าการคุณชาณิสีย่างหยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกมีลมให้ใจเข้าออกเพราะลมให้ใจเขาออกได้ละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆแต่ว่าหูจะยินเสียงน้อยๆขยายเสียงในขนาดขยาเสียงตั้งไกลดัง จ, จัด จะได้ยินเสียงขยายเสียงแว่แวๆนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาบแว่วนิดเดียวถ้าถึงขั้นชานิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดนั้นก็ตามจะไม่ได้ยินเลยเลยก็ไม่รู้ลงให้ใจก็ออกมีเหมฉอนก็เราไม่ให้ใจก็ออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามว่าอาการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยโห ย, ยิ่งรับแม้ว่อสมัยชันฝึกใหม่มีพระเพื่อนองค์ไปปฏิบัติในบสถ พอถึงขั้นนี้ท่านก็วิ่งปื๊ดยันกุติหลพระปานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายไม่ไมให้ใจแล้วครับอตอนชาวหลวงปานออกมาเวลาใช้ข้าวเสร็จจะบอกแม่น่าเสื่ดายเปนกลัวดีไอคนกลัวดี่ยหายากนี่ขอญาติาตโยมบริษัทเข้าใจอาการของชายของสมาธิไว้วันนี้ก็พูดแค่สมาธิก็พอนะเ ห, หลือไวลาสามนาทีข อ, อย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคณิกะสมาธิ คือสมาธิเล็กน้อยทำได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรู้หลวงใหใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาว่าพุทโธนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายไปมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวจิตเคลื่อนไปก็เริ่มต้นมันใหม่อย่างนี้มีในสงเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านดา ว, วดึงได้อย่างมัตะโกนตรีเทพบุตรนะแต่ในการในสอนถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธิคือมีจิตอิ่มเอิบผ่านปีติปีติต้งไม่ได้ผ่านทั้งห้าอย่างนะ บางคนก็ผ่านทั้งสองสาอย่างบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ผ่านเลยแต่ว่ามีจิตใจชุ่มชื่นอาการจะไม่ผ่านแต่มีจิตใจชุ่มชื่นมีจิตทรงตัวนานกว่าคข้าที่เขสมาธิอาจจะใช้เวลารักษาหนาทีสีนาที5นาทีก็ได้แต่ไม่แน่นักแต่จิตใจสบายมากมีจิตทรงตัวมากถ้าจิตใจเข้าถึงอุปจารสมาธิอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนหกชั้นให้เลือกตามชอบใจ สำหรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงอย่าลืมหนึ่งขนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสร่างกายโยกโครงตีเต้นเหมือนปลุกพระและวต่อโดยลอยบรรยากาศห้ามีอาการทราบสัานถ้าอาการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระบรรดาญาโยามพรตบิษัททุกคนอย่าสนใจกับอาการ ปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนกระฟองที่สองเ ก, ก้าไงก่งมันน้ำตาจยะยไหลก็ช่งมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจเป็นสุขแล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าวเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปการสังเกตอารมณ์ของฌานท่าฌานที่หนึ่งหูจะไม่รำคาญในเสียงถ้าชานที่สองจิตใจจะมีการชุ่มชื่นแต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนา ตั้งแต่ชาณิสงไปคำนาหายเองนะไม่ใช่เราเลิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้นะต้องหายเองถ้าชาณิสามความชุ่มชื่นเออบิ่มจะหายไปมีการเครียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป็งหรเรียกว่าดิ่งแล้วก็ไม่สับราชาได้ใช้ได้สัตวบถ้าหูจะดินเสียงที่ดังๆ ด, ด, ดินเสียงน้อยลงมีการไม่อเคลื่อนไหวจิตทรงตัวมากถ้าเป็นอาการเขาชาณิสี่ จะไม่รู้สึกว่าเราให้ใจความจริงลมให้ใจมีตามโมติแต่ว่าสายกับจิตแยกกันเด็ดขาดกะรนั่งการเคลื่อนไหวการหอกก็ดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงชาณีสี่ถ้าจิตไม่ถึงชานีสี่แล้วก็จิตไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้เวลาหมดแล้ว ย, ย่าโยตอนนี้ไปขบรัาญัติโยมพุทธวิสัรถนยต่างใจสมาทานศีล ส, สมาทานเป็นกรรมฐาน สองในวันการเจริมกรรมาฐานสำหรับวันนี้จะขอนำมิปัญนายาญข้อที่สอง เรียกว่าพังคารวัศนายานเพื่งแปลว่าพิจารณาเห็นความดับเมื่อคืนนี้ทั้งความดับทั้งความเกิดใช่ไหมเกิดด้วยดับด้ว ย, วยใช่ไหมจำได้ปะ่ไม่ใช่ฉันพากภาษาไทยลงทั้งเกิดทั้งดับใช่ไหมวันนี้ท่านพิจารณาเฉพาะดับในข้อที่สอง ในการนิยามโยมไปฟังก็าบอพิจารณาเกิดดับเกิดดับควรทราบคําว่าเกิดดับเกิดดับที่ก็ใช้กนนันเป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาญาณข้อแรกข้อตนในข้อที่สองทางการวปัสสนาญาณ <c oughs> แปลว่าพิจารณาความดับโดยเฉพาะ <c oughs> ในก่อนที่จะพิจารณาบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องทิ้งส ม, มถะภาวนาไม่ได้แล้วก็ราการที่สอง อย่าลืมศีลหนึ่งศีลต้องบริสุทธิ์ถ้าเวลากลางวันถราจะภาวนาและพิจารณาได้ก็ตามก็เป็นเรื่องของญาติโยงพุตบริษัทท์ทำไปตลางพลางก่อนแยกระกันว่างคุ้มรมถ้าถึงเวลาตอนกลางคืนจะเรนจะจีเรนกรรมฐานจริงจังตอนนั้นก็เผื่อเหนียวไว้ก่อนให้สมาทานศีลเท่าก่อนเผื่อว่าเราจะมีการบกพร่องเดงศีล ถึงแม้ว่าไม่มีการบกพร่องดังสิงก็ถือว่าเคารพแต่ผู้เจา้าตั้งใจสมาทานสิ่งห้าถ้าอยู่ที่บ้านเมื่อสมาทานสิงก็ตั้งใจสมาทานสิงด้วยความเคารพคิดว่าคิดว่าสิขาบทห้ประการและแปดประการนี้เราจะตั้งใจเคารพนี่ตั้งใจเคารพอยจริงจังมายความว่าจะไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิต อันน <Workers. S 2> ี ance, pegar, wish, uh, ้อัศจรรย์นะมัครโฟนโดดมัอาจจะมีหกก็ได้นะแหมวิปันายานเป็นหวยไปแล้วอจะลืมว่าอันดับแรกสมาทานสินก่อนเมื่อสมาทานสินตั้งใจสมาทานสินในความเคารพก่อนจะพูดทังทีคำประของสีน เราก็ว่านโมตัสสะกว็ว่าโตราโตสัมมาสัพพุตสัตว์เพื่อแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมในรั้งประการสมเด็จพระผู้ทธมีพระพาเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์องค์นั้นต่อมาก็พุทธทางสันนักระชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมมังสันนักระฉ า, ามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสันนักระฉ า, ามิขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ด้วเวลาว่าทั้งว่าด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความเคารพด้วยความจริงใจถ้าเคารพด้วยความจริงใจจริงๆก็ถือว่าท่านสามารถตัดสัญญาของข้ อ, ขอที่สองได้ไม่มาถึงตอนศีลเมื่อว่าปานาติปาตาเวไปทั้งทสุราตอนนี้ถ้าว่าจะวารตั้งใจเคารพรือว่าสามารถสง่งศีลห้าได้ก็ถื อ, อ, อว่าท่านตัดสัญญาข้อที่สได้ ม่อตสัญญาณข้อีสองและข้อทสามได้ก็พร้อมก็จคิดว่าชีวิตมันต้องตายพระอารมณ์สามรายการนี้ได้มาเไรก็ถือว่าท่านเป็นพระโสดาบันวิอัเพื่ว่าถ้าเรายังไม่เป็นมรสโสดาบันก็หนึ่งมีความครบพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงเวลานั้นมีความครบในศีลจริงและต่อไปก็เริ่มทำสมาธิ สมาธิที่เริ่มคือพิจาย่าลืมไม่ได้ก็คืออนาปานุสติแต่ว่าก่อนที่จะภาวนาและพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็อย่าลืมชื่อของนิวรณ์นิวรณ์ห้าอย่างคําว่านิวรณ์ที่แปลพระพเจ้าแปลว่ากิเลสหยาบที่ทำบัญญญาให้ถอยหลังมันมีห้าอย่างคือหนึ่งกามฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ ความโกรธความเจ็บบาดสาความง่วง4จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งหมดนี้ในช่วงเวลาที่เราจเจริยกรรมาฐานจงย่าให้เข้ามากวนใจมันอาจจะมีบ้างบางทีเผลอไปมันมีบ้างแล้วก็ถอนตัวเสียจับตรม่จำกระ้ใจเข้าออกใหม่ความจริงนี้วอนนี่เราตัดมันไม่ขาดจึงกว่าจะถึงอนาคามี ถ้าถึงพระนาคามีเขาตัดได้แค่สองขอ้อกลัความว่าเวลานั้นเราไม่สนใจกันิวีวอนคือสนใ จ, จเฉพาะลมให้ใจเขาออกกับคำภาวนาเมื่อกนดรู้ลมให้ใจเขาออกกับคำานาพอสบายสบายพอจิตเป็นสุขต้องดูว่าจิตเป็นสุขหรือยังนะถ้าจิตเริ่มเป็นสุขอย่าเคร่งเครียดในสมาธิเกินไปทาแค่จิตสบาย พออารมณ์สบายปัญญามันก็เริ่มเกิดแล้วก็มาจับพิปัจนาญาณตัวแรกก่อนอุทยปัพยานุปัจนาญาณนี่ใช่ไงแทนใจนั้นจำชื่อไม่ได้พิจารณาความเกิดและความดับภาษาบาลีไว้ตงจาข้อที่หนึ่งพิจารณาถึงความเกิดและความดับให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นได้มีความดับเป็นลิสุดเหมือนกันหมดเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตายสัสตว์เกิดขึ้นมาแล้วสัสตว์ก็ต้องตายต้นไม้เกิดขึ้นมาแล้วต้นไม้ก็ต้องตายภูเขาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ความหัหินก็ผกไปเสาเขาก็พังเทวาดาเมื่อเธอได้ก็ดีนางฟ้าก็ดีท่าเกิดขึ้นาแล้วท่านก็ต้องจดติ ผมก็ไม่การเกิดเป็นผมแล้วก็ต้องจุดสีเมื่อหมดบุญ <c oughs> <c oughs> รวมความมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือมนุษย์สโลกเทวโลกระผมโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและมีความดับไปทีส่สุดเหมือนกันในเมื่อไม่มีการทรงตัวอย่างนี้วิปัสสนาญาณต้หันไปหาเริยสัตว์นะอย่าลืมว่าพระเจ้าเทศทุกท ก, กันลงท้ายด้วยเริยสัตว์ เราที่นรียนสัตว์จะไม่มีผลในการปฏิบัติในเมื่อความเกิดขึ้นม่มีการทรงตัวแบบนี้มีความดับในสุดแล้วช่วงกลางมันมีอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่าช่วงกลางก่อนที่จะดับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็พบกับความแก่บางทีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเ์จะบอกว่าเด็กที่ยังไม่ทันจะแก่มาอยู่แล้วก็ตายแต่ความจริงไ่้แก่แล้ว เกิดมาหนึ่งวันก็ถือว่าแก่ไปหนึ่งวันเกิดมาสองวันก็ถือว่าแก่ไปสองวันความแก่มันเข้ามาถึงแล้วแต่ก็เข้ามาถึงน้อยหน่อยตอนนี้ในช่วงที่ยังไม่ตายยังแสวงหาความแก่เรื่อยๆกันไปมีอะไรอีกก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาแทรกความแก่ก็ดีความป่วยไข้ไมันสบายก็ดีเป็นอาการของความทุกข์ ไม่มีคนแก่คนไหนที่ชมว่าความแก่เป็นปัจจัยเกิดความสุขและก็ไม่มีคนป่วยคนไหนที่ชมว่าป่วยเป็นปัจจัยเกิดความสุขอันนี้ไม่มีมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวรวมความเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์ตอนนี้ความแก่ทรงตัวได้การป่วยที่เราเป็นไข้ได้ป่วยจริงๆไม่มีมันมีอะไรเป็นทุกข์อีกสิ่งที่ทุกประจําวันประจําเวลาก็คือความหิวความกระหาย ความหิวในอาหารความกระหายเกิดขึ้นเพราะแวดกายนั้ความทุกข์ถ้าเราไม่ได้กินไม่อิ่มมันก็จะทุกข์มากขึ้นก็จําเป็นต้องกินได้กินแล้วมันก็ไม่อิ่มจริงอิ่มไปเดียวเดียวไปเดียวก็หิวใหม่ความหิวใหม่เกิดทุกขมันก็ทุกข์ใหม่กินอิ่มแล้วก็มีสุขไปเดียวเดียวต่อไปก็หิวใหม่เขารวมความว่าเราทุกข์ทั้งวัน อันนี้ใ น, นเมื่อเราต้องกินเราต้องใช้การประกอบกิจการงานเพื่อใดมาจนทรัพย์ถึงมีการเหนื่อยยากก็แปลกัายเปนความทุกข์ทั้งหมดนี่เป็นความทุกข์ในอริยสัจแล้วต่อมาก็ความพัดพระดจากของรักของชอบใจอันนี้ต้องมีกับคนที่เกิดมาอย่างบิดามารดาท่านเป็นผู้มีคนใหญ่ <c oughs> เราจะมีชีวิตขึ้นมาได้เพราะอาศัยท่าน เกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยท่านเกิดเพราะแล้วถ้าท่านไม่เลี้ยงชีวิตก็ไม่ทรงตัวเราจะโตขึ้นมาได้อย่างนี้อาศัยความเมตตาปรานีเขาเป็ดามันดา mm hmm. รวมความว่าบิดามัรดาเป็นที่รักยิ่งของเราเป็นที่เคารพยิ่งเป็นผู้มีคนใหญ่ในที่สุดถ้าตาอายุไข่ท่านต้องตายก่อน mm hmm. ในการพลาดพลาจากกันก็เกิดขึ้นคนที่รักสัตว์ที่รักวัตถุที่รักของที่รักก็ต้องจากกัน รวความเมื่อเกิดแล้วยังไม่ทะนับแล้วก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ถ้าต่อไปในะที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือผมไม่เป็นนางฟ้าหรือผมเราก็พบกับความดับอีกแล้วก็ต้องหันมาดูว่าการเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นเทวดาหรือผมมีความสุขจริงแหละแต่ว่า ไม่มีการทรงตัวมีความดับในที่สุดเมื่อดับจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือพรมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนบ้างถ้าส่วนใหญ่ลวมบายภูมไิไฝมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราต้องการมีความสุขก็คือต้องการถึงพระนิพพานการเข้าถึงพระนิพพานไปทางไหนก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องชระล้างกิเลสกิเลสแล้วความเศร้าหมองของจิต คำว่าสาวหมอนี่หมายความจิตมันเลวจิตไม่ยอมรับความจริงจิตยอมรับความทุกข์ว่าเป็นความสุขรับความไม่แน่นอนว่าเป็นของแน่นอนก็ใช้วงอารมณ์มิปัจน า, านญาณตัวต้นเข้าตัดพิจารณาความเกิดหรือความดับว่าคนเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความดับในที่สุด <c oughs> เราก็ต้องตายเหมือนกันจะมัวเมาในชีวิตีเพื่ออะไร หันไปดูเทวดาและพรมถ้าเกิดก็ดับเหมือนกันในเมื่อความเกิดและความดับมันมีอย่างนี้แล้วก็ต้องหาโม ก, กะธรรมจะทำเป็นเครื่องพ้นตัวอย่างพระโมคคัลลาการภาษาที่บทที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอพูดชื่อตาญานตัวที่สองนั่นเริ่มต้นนะเริ่มต้นเดียวปัญญายังไม่ดีนักพระพุทธเจ้าพิจารณาความเกิดและความดับ ต่อมาข้อที่สองพิจัรณาญาณข้อที่สเรียกังคาโนพิจารณาญาณให้พิจารณาความดับเฉยๆอย่างเดียวดูความดับอย่างเดียวว่าอะไรมันดับบ้างเข้ามาดูร่างกายของเรามันก็ดับทุกวันความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นเด็กหรือความใบกลางคนมันก็ค่อยดับไปทุกวันวันเวลาผ่านไปชีวิตก็เคลื่อนไปแล้วก็แก่ลงไปทุกวัน สิ่งที่มันแก่ไปแล้วเราดึงไอาความเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาคืนไม่ได้เนี่ยมันดับดูความดับภายนอกที่มันหยาบดูความหนักเขานึกกันมาอีกนิดหนึ่งดูชีวิตของเรามันดับหรือเปล่าทั้งนี้ก็ดูเราไม่ใจเข้าออกเวลาที่เราให้ใจออกถ้าไม่ใใจเขา้ามันก็ดับ <c oughs> ให้ใจเข้าถือว่าการเกิดทรงตัวขึ้นมาใหม่เวลา้ายใจออกก็ดับอีก รวมความชีวิตมีการเสียบเนื่องติดต่อกันมีการเกิดและการดับคู่กันไปกระรวงความชีวิตเราดับเร่อยไปมันดับทุกวันก็ไปหาความแก่ในการเดินกัไปหาความแก่ก็หมายถึงการเดินก็นไปหาความตายมันไม่มีสุขในเมื่อมันไม่มีความสุขเราก็ต้องไม่สนใจในชีวิตร่างกายต่อไปวันนี้เอาเฉพาะข้อกันนะ แต่ความจริงวิปปะนาัยาเนี้ก็ทําจริงๆเก้าข้อเลยไม่ใช่เทียข้อทําไมค่อยๆพูดกันในเมื่อพิจารณาหาความดับแล้วหาความไม่ดับความไม่ดับก็คือว่าไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดต่อไปอีกคําว่าไม่ต้องการมีอะไรไม่ใช่หมายว่าเลิกธรรมาหากินไม่ถูกนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทํามาหากินตามปกติตามหน้าที่ไม่งั้นจะเป็นทุกข์ แต่ว่าจิตส่วนหนึ่งขขาร่างกายคิดว่าคือนชื่อร่างกายแบบนี้หรือว่าสมบัติของโลกแบบนี้เราไม่ต้องการมีมันต่อไปอีกชาตินี้มันมีก็มีไปแล้วพอช่างมันต้องทำกระต่างงานงานตามหน้าที่ทุกอย่างแต่ขึ้นชื่อว่าชาติต่อไปของเราไม่มีการคิดว่าไม่มีอะไรไม่ต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการอะไรทั้งหมดไม่มีอะไรทั้งหมดมมที่บรนดาท่านพุทธบริษัท มีตัวอย่างท่านกมรมบรรพธ์ตายแล้วปฏิพันธ์อยากจะฟังไหมสิบบาทแต่ ก, ก่อนนี้กินน้าก่อนนะวันนี้ซึิหักมาก <c oughs> เรื่องเราวท่านกมบรรพธ์ก็มามอย่างนี้มีเวลาสิบหกนาทีทันไม่ทันก็ไม่สัตเล่ามันทันกันย่อๆนะ <c oughs> เรื่องท่านยาวอยู่ท่าละเอียด เคื่อท่านโกนวาระพัติตรงสาวไปถึงปาวารเจดีสบายที่พระเจ้าอยู่ปาวาระเจดีองค์สมเด็จจินาสีทรงป่วยหนักพระพุทธเจ้าป่วยหนักป่วยมากจนทั้งไม่สามารถคิดว่าชีวิตไม่น่าจะทรงอยู่ได้ต่อมากลางเดินสามองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรง p r o อายุสังขารคําว่า p r งอายุสังขาร ค, คือกําหนดเวลาตาย ตั้งตัดสินใจว่านับแต่นี้ต่อไปอีกสามเดือนคือเป็นกลางเดือนหกเราจะนิพพานระหว่างนางๆังน้งโค้ยเมืองกุศินราหมหานครหลังจากนั้นองค์สมเด็จะจินวรก็ทรงเทศเฉพาะศีลสมาธิปัญญาร่างกายสู้ชิ้นไปตามลำดับฉันก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ ก, ก็เหมือนเหมือนเราเนี่ยร่างกายใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าคง ม, มีระขันติมาก ขัง่าวป่วยข้ายานทรงมากเหลือเกินแต่ใครไปหาก็เทศใครไปหาก็สงเคราะห์จะป่วยขนาดไหนก็สงเคราะห์อาการป่วยพระองเมริการหลายๆอย่างโดยเฉพะอย่างยิ่งเมียการอาเจียนหนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไส้อาเจพยอย่างหนะักระหว่างนั้นท่านโกมารพัทไม่อยู่ต่อมาหลังจะกลางเดินแล้วพระโกมารพัทกลับมา เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าอาการสูดฟีดมากก็เข้าไปถามว่าอาการป่วยไปยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ส่งตอบท่านโกมราภัชคิดว่าถ้าพระเจ้าตอบคําเพียง ว, ว่าอาการป่วยไปยังไงเราก็จะถวายยาเม็ดเดียวให้หายทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนี้เก่งมาก แต่ในเมื่อพระเจ้าไม่ตอบถามสามครั้งไม่ตอบเครื่องพระเจ้าจะาได้แค่สามครั้งแนละเศร้ซาซีมากขนาดไม่ได้ต่อมาถึงกระทํายาขึ้นเม็ดหนึ่งเพื่ถวายตั้งใจคิดว่าถ้าพระเจ้าเสวยยาเม็ดนี้เราจะทราบทันทีว่าอาการนี่พระเจ้าป่วยเป็นโรคอะไรแล้วเราจะทํายาหนึ่งเม็ดถวายจะฉันจะหายทันทีเหมือนกันเอาไปถวายพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ทรงรับทรงความมือเสีย นำใบ ป, ประเคนสามครั้งพระเจ้าไม่รับก็ประเคนต่อไปไม่ได้เลยนํายานี้ไปใส่ในบ่อน้ํามำคิดว่าจะทําเพื่อพระเจ้าจะให้ใครกินนี่ไม่สมควร <c oughs> ขอเล่ารัดตต่อไปเวลามันจะไม่พอ <c oughs> หลังจากนั้นพระพเจ้ามาานถึงวันเวลาไสโคมมาพัทก็อยู่แต่ว่าสมเด็จพระองค์ภุไม่ต้องการการรักษาหมอก็ไม่ไรู้ทํำยังไง ท่ า, า, านกูมาทัพก็เสียใจเพราะท่านคิดว่าอย่างไงทราบไหมท่านคิดไว้แต่ตอนต้นมันหลังจากองค์พบองค์สมเด็จพระทศพลฟังเทศจบเดียวท่านเป็นระโสดาบันท่านก็คิดว่าเราจะต้องตายก่อนร พ, พระพุทธเจ้าเพราะพระุทธเจ้าตองนี้ผ่านทีหลังถ้าพระเจ้าที่พ่านก่อนเราเราไม่มีที่พึ่งเห็นไหมอย่างพวกนี้มันคิดว่าฉันจะตายทีหลังมันเนี่ยไง ไม่แน่ดีไม่ดีครับเปิดก่อนไว้แก่แล้วรวมความว่าทางคิดตามนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้มาถึงวับันเวลาบันขึ้นสิบสี่ขั้นเม็นหกพระพุทธเจ้า ก, ก็ให้ผ้านอนเดียงระสงคาว่าพเดียงคิด ม, มนประกาศประกาศพระสงฆ์ทราบว่าเราจะไปเมืองกรุงศรนราหิ้าส ใ, ใครจะไปบ้าง ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างติดตามไปพระทั้งหมดเวลานั้นประมาณสองแส0องเสเ็จ mm hmm. เมื่อไปถึงกุศินรามาในคอแล้วก็พักบ้านในจุนในจุนถวายพาาา ร, าาาระตาหารเช้าหลาังจากนั้นพระเจ้าชันพระตาหารเสร็จพระสันเสร็จเวลาตอนเย็นก็ไปไปที่ระหว่านางรานังคู่ก็มีวิหารอยู่ หลังจากนั่นองค์สมเด็จพระร่มครูก็นิพพานเล่ารัดรัดนะเรื่องนี้เล่าเมก่อนทีแล้วนะเมื่อนิพพานไปแล้วตอนนี้ธรรดาท่านพระธิดาท่านโกมารวัตมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนสิ้นหวังเราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราต้องการจะเป็นเอาพระองค์สมเด็จพระบพทีรแก้วเป็นที่พึ่งแต่ว่าเวลานี้ที่พึ่งใหญ่ของเรานิพพานไปแล้วเราก็หมดที่หวัง ท่านก็ตัดสินใจว่าท่านเองเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีสินต่ความยีิงท่านเป็นเชื้อเจ้ารวยถือว่าทรัพย์สินทั้งหมดไม่ใช่ของเราแม้แต่พระเจ้าจะเป็นที่พึ่งของเราท่านก็ไม่ผ่านได้อะไรจะมีสำหรับเราอีกบ้านช่องเรือนโรงทรัพย์สินต่างๆไม่ต้องการทั้งหมดตัดสินใจตัดแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรา แต่ทว่าก็ยังทนอยู่ทนอยู่จนท่างถึงวันแรมแปดข้ามเป็นหกเขาก็เผาศพองค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อเผาศพพระพุทธเจ้าเสร็จท่านโกมารพัชก็ออกออกไปไหนออกจากเมืองกูศินรามาณีคอนแต่ยังคิดว่าไปบ้านนะไม่ไปเข้าป่าเลย ถ้าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราตอนนี้ไปขึ้นชื่อคาว่ากินไม่มีในเราเห็นไหมเอาไหมถ้ายังมีคําว่ากินอยู่หรือแม้จะดื่มน้ําเราก็ยังถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ไม่ต้องปฏิบัติตามนะเคร่งเขินไปต้องเป็นคนมีบารมีเต็มตามนั้นจึงควร เอาค่อยๆคิดคิดตามท่านท่านคิดว่าหนึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายในของเราไม่มีในเมื่อเราตายทรัพย์สมบัติไม่ตามเราไปด้วยตัวเององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งๆที่มีชีวิตอยู่สมเด็จพระบรมทูตพระสมเด็จไปพักที่ไหนนี่เขาสร้างวิหารเป็นสิบๆโกถวายราคาแพงแต่ว่าเวลานี้พระเจ้าที่ผ่านวิหารทั้งหลายสมบัติทั้งหลายถวายถวายสองถวายพระองค์ ก็ไม่ตามไปด้วยพระเจ้านิพานแต่คนเดียวแม้แต่ร่างกายพระเจ้าเองพระเจ้ากอดทิ้ซึ่งไม่มีความหมายในพระโอค์เราก็เช่นเดียวกันในเมื่อพระเจ้าไม่เกาะในสมบัติเราก็ไม่เกาะในสมบัติพระเจ้าจากบ้านเมืองมาไม่เกาะในบทปัญญาเราก็ไม่เกาะในบทปัญญาเหมือนกันรวมความวางใจหมดไม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นของเราตัดสินใจเข้าไป่า แต่ตัดสินใจคือว่าขึ้นจิตวรญางกายไ ม, าไม่ใช่เราไม่ใช่เราฉะนั้นคำว่ากินต้องไม่มีในเราทำไมไหวไหมฉันไหวเวลาหลับฉันไม่กินอ่ะใช่ลงบอกไม่ไหวหลับหลับกินได้ไหมก็หลวงกล่ามว่าท่านก็ไปนอนในถ้ำเข้าป่าลึกเข้าใจว่าลึกแต่ไม่ลึกเกินคน ข้าไปอยู่ในถ้ำคนก็สืบสอบว่าเวลานี้ท่านโกมาราพัทอยู่ที่ไหนใช่ไหมไปหาที่บ้านไปหาที่วังไม่พบก็ถามว่าท่านโกมาราพัทไหนต่างคนต่างสืบได้ว่าท่านโกมาราพัทอยู่ที่ถ้ำนี้ย่องเข้าไปหายาไปแจ้งการโรคแจ้งการปล่อยท่านก็จัดการให้แต่ในสุดท่านก็ําคาญคิดว่าเวลานี้เราตัดทั้งหมดคนจะมากกรธเรา หลังจากนั้นยังเข้าป่าลึกลกมากลึกคิดว่าคนเข้าไปไม่ถึงมาเจอถอ้ำแมงหนึ่งลึกมากเป็นกันใหญ่แล้วก็ลึกมากเข้าไปนอนในถ้ำก็ตัดสินใจคิดว่าเราจะนอนตรงนี้จะไม่ลุกจากที่นี่อีกจนกว่าจะสิ้นลมพราณเวลานั่นใจก็ตั้งอย่างดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นของเรา สัพสมบัติเราไม่ถือว่าเป็นของเราเราทิ้งมาแล้วหมดพัญญาสามีพระธิดาหมดธิดากลุกก็ตามเมก็ตามคนใช้ก็ตามถ้าเราไม่ต้องการเราทิ้งมาแล้วแม้แต่ร่างกายของเราคําว่ากินก็ไม่ีเราก็ทิ้งมาแล้วเหมือนกันในเมื่อร่างกายยังไม่ชิน น, น้ำปราแล้วก็เกาะมันอยู่ชิน น, น้ำปราเมื่อไหร่เรก็ไปตามทางของเรา รวมความท่านติดตัดสินใจสงัดกินก็ไม่กินนอนตรงนั้นไม่ยอมกไม่ยอมขยับตัวแม้แต่ตัวก็ไม่ยอมขยับก็อย่าลืมนะถ้าถามว่าทำไมยิงทำได้อย่าลืมว่าท่านโกรมารพัฒเป็นปะโสดาบันใช่ไหมอภิริการีนสองยุคใกล้สมเด็จพระพูทมีพระภาเจ้าเวลานั้นพระห่านก็มากเรื่องชานสมาบัติเป็นของธรรมดา <c oughs> ในการที่จะทรงอารมณ์อย่างนั้นได้ไมันจะทรงร่างกายไม่ไหวติงต้องทรงฌานจิตจงเกาะฌานแปรอารมณ์คําว่าฌานไม่จําเป็นต้องนั่งนอนคุมอารมณ์เป็นฌานอย่างนี้มันจะอยู่ตามที่จิตบังคับคิดว่าเราจะไม่ยอมก็หยับมันก็จะอยู่แบบนั้นถ้ามันเมื่อยเราก็ไม่ยอมรับความเมื่อยก็มันเอาจิตไปจัจาบาพพระพุทธเจ้าบ้างจับคำภาวนาบ้างจาับลมหายใจเข้าออกบ้างมันก็จะไข่ตัว ในที่สุดท่านโกโมรารพัฒนอนนิ่งๆจิตเป็นสุขมีรมสบายโตรเวลานน้นจะปรากฏมีแสงฟ้าแลบเกิดขึ้นสว่างมากและเสียงมันฟ้าผ่าเปรี้ยงดังทนันนั่นก็มีเสียงไปกว่าว่าโกโมรารพัฒเธ อ, อเป็นสา ว, วกของสมเด็ศมาพุทธเจ้าใช่ไหมท่านตอบไปใช่เสียงนั้นก็เงียบไป แล้วท่านก็ภาวนาท่านต่อไปพาเดี๋ยวอาการอย่างนั้นก็นปรากฏปรากฏอาการอย่างนั้นสามครั้งพอเสียงถามครั้งที่สามท่านบอกว่าหลังจากนั้นมาตอบว่าใช่แล้วก็หลับแล้วผมก็เลยหลับไปเลยไม่ตื่นที่ว่าพมาผมเนี่ยพราะว่าตำนานเล่มนี้ไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปดูไม่ทราบว่าใครเขียน ใน่ทราวใครเขียนไว้ได้ฉันก็เลยสงสัยว่าเรื่องราวท่าโกมารพัฒนมีความจริงไหมเราก็ไม่ต้องไม่ต้องโกบาต้องไม่โกปาทานใช่ไหมในเมื่อไม่โกปาทานก็ไปหาพระก็อยากจะพ บ, พะบท่านโกมารพัฒน์ก็ปรากฏว่าท่านโกมารพัฒน์มาในภาพของพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วก็ไปถามท่านตามความเป็นจริงว่าเรื่องราวที่พูดมเมื่อกี้เนี่ยจริงไหม แต่เมื่อกี้นี่พูดย่อนะท่านก็เลยบอกว่าที่ท่านรู้มายังย่อไปหน่อยท่านขยายความไม่ฟังก็ไม่มีได้มากเช่นความอันเดียวกันท่านยอมรับไปจริงเลยถามนึนกว่าเสียงที่ปรากฏว่าปเป็น เ, เสียงฟ้าแสงแสงฟ้าแรกหรือเสียงฟ้าผ่าเป็นเสียงอะไรท่านก็บอกว่าเป็นเสียงพุทธบ ร, รมีแต่เสียงที่ถามว่าโกมาลาพัทเธอภาษาว่วาเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม ทำเสียงใครถ้าบอกจำเสียงได้ก็เสียงนั้นคือเป็นเสียงพระพุทธเจ้าเขาเคยได้ยินปกติใช่ไหมถ้าอยู่ด้วยกันท่านยินเสียงนั้นความชุ่มชื่นก็เกิดพอดยินเสียงนั้นแล้วก็มีการตัดสินใจคิดว่าคือจ้าร่างกายเราขอเลิกกันทันทีพอมีความมั่นใจว่าเลิกพอเริ่มจิตเป็นสุขแสงสว่างก็เกิดพมื่อรสงว่างเกิดมาเกิดส่งตัวเวลานี้จิตก็เคลื่อนออก ขี่ขึ้นออกไม่หมายว่าเป็นดวงนะเป็นตัวออกจร่างกายก็ปรากฏพบพระรเจ้ามากพาปนิพันธ์เห็นไห ม, มกว่าว่าการตัดสินใจขบรนดาท่านพุะเบริษัทธ์ี่เรียกวเป็นยานที่สองในพะังขันมรณาญาณพิจารณาเห็นเฉพาะความดับก็ต้องพิจารยณยาญาณทห่งโกมารพัฒ์ คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดับทั้งหมดในโลกน้นานแถวพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าแม่พระเจ้าเองทรงเป็นอาชาติยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดกับเทวดากับมนุษย์เทวดาหรือผมเป็นมนุษย์สันโลกก็ดีเทวาโลกก็ดีพรมโลกก็ดีใครจะประเสริฐเท่าพระเจ้าไป ม, มีก็ยังดับดังนั้นท่านก็นคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราก็ต้องดับจากมันไม่งั้นมันก็ดับจากเรา ถ้ามีมากมันก็ไม่ดับก่อนเราก็ต้องดับเือเราตายบุตรปัญญาสามีก็ตามทั้งหมดต่างคนต้องต่างจาดกันฉะนั้นการเกิดเป็นทุกอย่างนี้การเกาะในชีวิตเป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมีกขึ้นชีวโลคนี้ทั้งหมดเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือการไม่เกิดต่อไปนั่นคือแดนนิพพานพระตาตัดสินใจอย่างนี้นะนดาญาโยพรทวารติทุกท่าน ก็ถือว่าทุกคนเข้าถึงความดับตัวตัดคือคือพังคานุนพัฒนายานถือความดับอย่างเดียวแต่ก็อย่าลืมจะเครื่องเครียดมากเกินไปนะโดยมากเมื่อจะเห็นการเจริญพัฒนายานเครียดมากเกินไปหยิ บ, ยยบยเรื่องธรรมดาหยิบมีกธรรด้อย่เกินพอดีอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทํางานเองทุกอย่าง ชันพรตาหาันพระเจ้ากับล้างชามล้างบาตเองไม่มีพระทุกองค์ก็เหมือนกันนะกรพระหลานเลยเกยี่ยงความว่าเจอวิปัสนายาณก็ตามสมณฑาก็ตามนักษาสิงก็ตามทําตามแบบปกติให้เจออยู่ที่ใจว่าเจอวิปัสนาญาณยิงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราเลิกทำก็ไม่ถูกในเมื่อเรายัางทํามาให้ ก, กินอยู่ตั้งประกอบอาชีพตามปกติอรบันดา ญ, ญาโจรพระทธบริษัเวลาหมดพอดี ตอนนี้ไปพระนายาโยมพระทวยสัตว์หลายตั้งใจสมาทานสีนสมาทานประกรรมกากับแก๊งแกเงแก๊งแก๊งแก๊งแกางแก๊งแก๊ก๊งแก๊งแก๊งแก๊งแน๊งแกางแก๊งแก๊งแก๊งกก๊งาก๊กแกก๊งแก๊งแก๊งแก๊งนกงกก จะขอนํายันที่สามเห็นวิบัิวัติพิปัฒนายานเก้ามาแนะนํากัมมันดาแทนพุทธบริษัททพิปัฒนายานข้อที่สามในวัฏฏายันเก้าคือพยะตูปัฏฐานายานพยะตูปัฏฐ า, านาณนะความจริงภาษาบาลีฉันก็พูดในฐานะที่เป็นพระแต่ญาติโยมพุทธบริษัทไม่ต้องจําภาษาบาลีก็ได้ ยา น, นี้แปลเป็นภาษาไทยว่าพิจรารณาหินสังขาขนคือร่างกายเป็นของน่ากลัวท่านพิจรารณาว่าร่างกายของเราเป็นของน่ากลัวแต่ประเดี๋ยวก่อนก่อนจะใช้วิปัสสนาญาณก็จงอย่าลืมนาปานุสติขณะที่จะพิจรารณาคอยใช้นาปานุสติควบคือลมให้ใจเข้าออก รู้ลมไม่ใจเขาออกรู้เฉยๆค ว, ควบคู่กับคาพื้นพิจรารณาการที่ว่ารู้ว่าพิจารณาเมื่อร่งาง ก, กายเป็นขอนน่ากลัวก็เพราะว่าร่างกายเรามีเรื่องไหลเรื่องที่เราต้องกลัวหนึ่งมีความหิวเป็นปกติถ้าไม่หาให้มันก็หิวมิตะทุกขเวทนาเป็การที่สองเมืการป่วยไขย้ไม่สบายเป็นปกติ ไม่จะไม่เป็นทุกวันมันก็ป่วยเสมอก็จำเป็นต้องรักษาเป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งเป็นของน่ากลัวเวกาที่สามร่างกายเสืเ่อ <c oughs> มเป็นปกติสุดโทมเป็นปกติในเมื่อร่างกายสุดโท ม, มก็มีแต่ความทุกข์ก็เป็นของน่ากลัวในที่สุดร่างกายก็พังก่อนที่จะพิจารณาการ พิจารณายานข้อนี้นะความจริงทั้งเก้าข้อเขาใช้ในเวลาเดียวกันพิธีลวกจะขอแนะนําเป็นบรรทข้อข้อที่หนึ่งพิจารณาว่าร่างกายมีความเกิดและความดับอัน แ, บบแรกพิจารณาแบบนี้ก่อนนะร่างกายเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต้งมีความดับเป็นที่สุด ถ้าเราไม่เข้าใจความดับก็ถือว่ามีเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมีความตายไปในที่สุดเหมือนกันหมดมันต้องตาย <c oughs> แต่ช่วงก่อนตายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ต่อมาข้อดีสองอใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายมีความดับอย่างเดียวในหมายความมันจะก่อตัวให้ดีขึ้นไม่มีต้นร่างกาย มีการเดินทางหาสุดโสมตามลำดับมันสุดเรื่อยไปเดินใกล้ไปหาความตายเรื่อยไปความดับอย่างเดียวขอ้อที่สามพิจารณาว่าร่างกายเป็นของน่ากลัวคือมันจำจะต้องกลัวเพราะการเกิดของเรามันเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็เราถ้าเรามัวเมาในร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีเราเร า, เราหลงร่างกาย ก็จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความสุขแต่ความจริงร่างกายไม่มีสุขมีแต่ความทุกข์ในอย่างหนึ่งจะคิดว่าร่างกายมีการทรงตัวไม่เคลื่อนไปก็ไม่จริงร่างกายไม่มีการทรงตัวมีความแก่เกิดขึ้นมาทุกวันทุกวันและเมื่ร่างกายไม่จะทรงตัวไม่ทรงตัวก็ตามไม่จะแก่แล้วก็ไม่ว่าคิดว่าร่างกายไม่ป่วยนั่นก็ประมาทมากเกินไป ร่างกาย ท, ทุกคนต้องป่วยอาการป่วยเกิดขึ้นมีแต่ทุกวิถีนาไม่สะดวกทุกอย่างในการบริหารร่างกายแหะเคลื่อนไหวและในสุดขณะที่มีร่างกายอยู่ก็ต้องมีการพัดไพรจของร่างของชอบใจที่ทาให้ความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นก็เป็นของน่ากลัวในที่สุดร่างกายก็ต้องตายในเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ควรจะทำไงต่อไป หลังจากนั่นขอมันดาใช้พุทธบริษัตรวบรวมกำลังใจกำลังกายใช้อนาปาโนสติกรรมฐานให้เสงตัวนั่งกับไมายความอาจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์ให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกทําให้ทรงตัวให้จิตเป็นสุขถ้าจะใช้คำบรรณาด้วยก็ได้คำบรรณาอันนี้ไม่จํากัด บรรดาญาโยมพุทธวิษัทคล่องแบบไหนภาวนาแบบนั้นจะได้ไม่การฝืนอารมณ์หลังจากนั้นเมื่อจิตเป็นสุขแล้วก็มาพิจารณาตามความเป็นจริงใช้ปัญญาพิจารณาว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มได้วยความทุกข์อย่างนี้ร่างกายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีความดับไปในที่สุดขณะที่มีการทรงตัวอยู่ก็เต็มด้วยความทุกข์ต่างๆ เรื่องความทุกข์ต้งไคร่ตรหาเป็นจุดๆอันดับแรกคิดว่าความหิวเป็นทุกข์ไหมให้ปัญญามาเห็นจริงๆคือว่าจะใช้อารมณ์เลอกแบบเห็นพระบะร่างกายเป็นทุกข์ตํารา บ, บรกว่างกายเป็นทุกข์เราก็่อทุกข์ด้วยแต่ความจริงจิตไม่รู้สึกว่าทุกข์อย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องค่อยๆจับจุดของความทุกข์ไปทีละหน่อยอะไรบ้างที่มาเป็นทุกข์สำหรับเรา ที่เป็นทุกข์ประจำคือความคือความหิวความหิวความกระหายเป็นทุกข์ประจำวันให้มีความเข้าใจตามความาจริงว่านี่ตัวทุกข์เบื้องต้นของทุกวันต้องมีอยู่แล้วมันก็จะทุกข์ตลอดไปจนกว่าจะตายความหิวความกระหายนี่เลิกไม่ได้ทุกข์ที่สองที่ประจำวันก็คือการปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็เป็นทุกข์ ต่อไปก็มีทุกพิเศษคือความป่วยไข้ไม่สมัยเขามาในจังหวะในบางจังหวะต่างๆการประกอบกิจการงานมีความหน่วยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์การครบหาสมาคมกับคนทั้งหลายแลอคนร่วมงานกันไม่ใช่ความสุขเป็นความทุกข์เพราะเราต้องรักษากําลังใจของเขากําลังใจของเพื่อนก็ไม่แน่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี โดยเฉพาะปัจจุ บ, บันมีโรคประจำยี่โรคหนึ่งในสังคมต่างๆนี้มีโรคประจำมรณบาตไปถึงวัท่าสูงที่ระบาดไปเขาไปแจ้งนะคือโรคอิจฉานิสยามีไหมไปแข่งไปขายอิฉานิสยากันระหว่างผู้ร่วมงานอันนี้ก็เป็นความทุกข์นี่เพราะการเกิดในโลก รวมกว่าวัยการเกิดในโลกมันเต็มมีความทุกข์ต่อไปเห็นว่าการพัดพลาดจากของรักของเศบใจเป็นเหตหุการเกิดความทุกข์ความเศร้าโศกใช้ใจต้องมีในเมื่อความตายจะเข้ามาถึงมันดาท่านพุทธบริษัท ต, ต้องทราบว่าวมันไม่ใช่ตายเฉยๆมันจะประกอบด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัส เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วแล้วก็กลายกลายเป็นคนกลัวร่างกายคําว่ากลัวนี่ไม่ได้หมายความมันจะไม่เลี้ยงมันมันไม่ดีแล้วไม่กินข้าวมันไม่ดีไม่กินน้ําอันนี้ไม่ถูกมันไม่ดีเราจะไม่รักษาโรคมาป่วยไข้มาเสียบายอันนี้ไม่ถูกเพราะว่าความบาวะและกัความตายยังไม่เข้ามาถึงมันก็ไม่ตายถ้าเราไปทําอย่างนั้นจะมีต่การทุกข์ประมาณอย่างหนักจิตใจจะไม่สงฆไม่ตั้งหยุดได้ของความดี หน้าที่ในการเลี้ยงมันเราต้องเลี้ยงมันหิวต้องหาให้กินมันก็หายต้องหาให้กินมันป่วยไข้ไม่สมบายตา้องรักษาเป็นต้น <c oughs> แต่ว่าจิตเราคิดว่าร่างกายที่เป็นของหน้ากลัวประเภทนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย <c oughs> ชาติต่อไปจะไม่มีสำหรับเราอีก เราเกิดมาเพราะอาศัยความโง่เขาเข า, เขาทับกำลังใจทับปัญญาความทิ่งที่ทำให้เราโง่มีสี่รการคือหนึ่งกิเลสในความเศร้าหมองของจิตอารมไม่ผ่องใสสองตัณหาความทยานอยากเกินพอดีส่อุปาทานการยึดมั่นถือมั่นว่าของเลวเป็นของดีแล้วก็3 ส, สนะันแล้วก็สเอาขศ้นุกรรม ก็ทำท ำ, ทำ ต, า ต, า ต, าตามตามความต้องการของตัณหาด้วยความไม่ฉลาดอาวุโสนี่แปลว่าไม่ฉลาดตัวความเรากเกิดมาได้เพราะอาศัยกิเลสสี 4, ่ไปกายคือ 1, 2, นหนึ่งกิเลสสองตัณหาสามอุปาทาน4ี่อวุโสมนกรรมความชั่วสีอย่างนี้ทำให้เราเกิดในเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดเพื่อความชั่วสีอย่างต่อไปเราก็จะไม่พบความชั่วสี่อย่างนี้คือหนึ่งเราจะไม่พบกิเลส ว่าไม่คบกิเลสบรรดาเป็นพุทธบริษัทจงยาคิดถักขานทำให้ได้รวดเร็วไม่ถูกต้อง <c oughs> ต้องเข้ า, ขา ค, ค, ค่อยตัดกิเลสกิเลสมีของตัดยากแต่ถ้าจะลายก็ตัดไม่ยากเหมือนกันยาจูโจโมในการตัดตัดเทียเล็กเทียน้อยตามกำลังเจียงยางไหนเบาตัดอย่างนั้นก่อนอันดับแรกก็มาตัดกระสาจุดเื็นหนึ่งความความไม่ต้องไม่รู้สึกว่าตัวจะตาย ให้ตั้งใจคิดว่าความตายต้องมาถึงกับเราแน่เราเกิดนี้มาต้องตายพยายามคิดอย่างนี้ให้มันชินพอวันหนึ่งเขาหน้าบเรลตาย้นมาจากการตื่นนอนก็คิดว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้จะตายเชา้าตายสายตายบ่ายแต่ที่เราตามใจเราจะทรงความดีไว้ งานทุกอย่างในหน้าที่ของเราเลยทำไม้ครบถ้วนแต่ความเป็นอยู่เป็นสุขไม่ยังไม่ตาย <c oughs> ถ้าตายเมื่อไรเราก็ขอไปสวรรค์ก่อนนอกจากนั้นเราก็ต่อไปพระนิพพานถ้ามาข้อที่สองตัดความโง่อีกนิดหนึ่งเอาปัญญาพิจารณารู้จักความดีของพระเจ้าประทามพระอาเียสง่ง เมื่อใช้เป็นยาจินตนาเห็นว่าท่านดีแล้วก็ยอมรับนัำผีด้วยความจริงใจอันนี้เป็นการตัดสัญญ์ข้อที่สองข้อที่สามพยายามตั้งกำแพงกันอบายพูนด้วยสินห้าหรืยกำหมดสิบถ้าปฏิบัติได้สามอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริสัท์ถือว่าท่านเป็นผู้ชนะความตายที่จะเรียกว่าประโสดาบันก่อนที่ประสดาบันนี้ไม่มากไม่หนักนักนะ ถ้าค่อยๆตัดอย่างนี้จะมีโอกาสชนะกิเลสถ้าอยู่ๆก็ไปตัดโวบภาพใงกิเลสหมดทีเดียวอันนี้ไม่มีทางอย่าืมคอยย้อนหน่อว่าการตัดกิเลสตัดเบาๆเอาบุมที่เราจะเป็นได้หนึ่งใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความ จ, จริงว่าชีวิตเราต้องตายแน่ความจริงมันก็ตายด้วยกันทุกคน คิดไว้ทุกวันแต่อย่าท้อถอยเรื่องความเป็นอยู่กิจอยท้อถอยเรื่องการงานทุกสิง ท, ทุกอย่างมีงานจะพึงทําทําให้ครบถ้วนตามกําลังปัญญาแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทคืดคิดว่าเราไม่ตายก็ไม่มีจะตายก็ตามเราจะตายก็ตายอย่างคนดีค <c oughs> ือเราจะตายตายอย่างคนดีคือเป็นคนที่ไม่บกพร่องในการงานหนึ่ง ถ้าตายอย่างคนดีที่มีปัญญารู้จักความดีขมวดเจ้าประทับพระอริสงฆ์ยอมรับนับทธิในความจริงใจแล้วก็ตายอย่างคนดีก็เป็นคนที่มีศีลถ้ามีดีสามดีประจําใจบรรดา ญ, ญาโยพุทธบริสัทธ์นไหลเวลาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนดีเวลาตายเป็นผีเขาเรียกว่าผีดีเรี่ว่าผีดีก็ว่าเป็นผีเทวดาหรือว่าผีนางฟ้า ถ้ามีกําลังสูงหน่อยก็ไปถีกีลมถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจไม่นิยมร่างกายก็เป็นผีนิพพานคือรวมความอาการเห็นร่างกายไปขอหน้ากลัวของบิดาแต่พุทธบริษัทไงใจยกตัวอย่างพระสักดองค์หนึ่งกันหลับเห็นไหมเขาเริ่มตาปปือนและคนนาเนี่ยเขาเรียกว่ามีพระองค์หนึ่งชื่อว่าโคติกะ ในสมัยพระพุทธเจ้าท่านดยโกจิกาที่เป็นพระที่มีบารมีสูงมากจะได้เป็นพระราหันแต่ว่าในวาระเดียวกันขณะที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาไอ้โรคภัยข้าเจ็บกระตุ้นร่างกายอย่างหนักแต่ามาว่าป่วยอย่างหนักยังไม่เท่าท่านดโกจิกาดยโคติกาที่หนักมากป่วยขนาดลุกไม่ขึ้น ขยับกายก็เกือบจะไม่ไหวนี่บางโอกาสบางครั้งบางคราวก็พอขยับกายได้พลุกได้ไปไหนได้บางนิดหน่อยไม่ไปไม่ได้มากแต่ก็เวลาส่วนใหญ่ของร่างกายของท่านต้องนอนกับต้องนอนกับกินนอนแต่ว่าแต่วันโกติกะเข้ามาในศาสนาในตอนแรกท่านยังไม่เป็นพระอริยเจ้า เป็นพระทรงฌานโลปีสำหรับฌานโลปีในบรรดาแใ่พุทธประจักรไม่ขึ้นกับร่างกายถ้าร่างกายมีอารมณ์โปร่งมีกําลังดีใ่าก็ทรงตัวดีถ้าร่างกายมีอารมณ์หบันไวและว่ามีทุกเวทนาหนักท่าก็เสื่อมฉนันเวลาใดที่มีร่างกายดีท่านก็ทรงตัวดี เวลาที่ทุกเวทนามีมากขึ้นชานก็สลายตัวเสื่อมลงไปไม่ถึงทสลายตัวหมดนะมันก็ย่อยยับลงไปบ้างเหลือบ้างเล็กน้อยอย่างมากก็ทรงชันหนึ่งไว้ได้ในความทุกข์ทรมานอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างหนักก็ท่านนับเวลาแลมวปีต่อมาวาระสุดท้ายของชีวิตรปรากฏกับท่านคือว่าต้องถือว่าบอบบาบกระบุญเข้าไปสังกันดีกว่า ไอ้การป่วยไข้ไม่สบายในบรรดาเจ้าพษษุทธบริษัทมาจากโทษของปานาติบาตการฆ่าสัตว์การทรมานสัตว์เป็นวิใจใัยป่วยไข้ไม่สบายใครจะป่วยไข้ไม่สบายแบบไห น, นก็ตามทุกคนเมืองราบวันนี่มาจะโทษปานาติบาจากชาติก่อนต่อมาในขั้นสุดท้ายของชีวิตของท่านท่านมีความรู้สึกเข้าใจบุญเข้ามาสนอง บนของท่านถึงขั้นพระราษนเลยกท่านมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นโทษมันเป็นโทษเป็นทุกข์ร่างกายเป็นของน่ากลัวมันเป็นภัยหนักสําหรับเราคนอื่นที่ถือว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นศัตรูยังอยู่ไกลถ้าเราไม่ไปพบเป็นพบหน้าศัตรูศัตรูไม่มาพบเราความรู้สึกก็ไม่เกิดความเศร้าหมองก็ไม่เกิด ถ้าเราไปพบหน้าศัตรูศัตรูมาพบหน้าเราความขุ่นข้องหองอใจมันระเกิดแต่ว่านี่สัตว์ร่างกายเป็นศัตรูพญากป็นไผ่พยะเป็นภัยโดยนศัตรูข้อทสามนะเป็นศัตรูกับเราเราจะนั่งมันก็เป็นทุกข์เราจะนอนก็เป็นทุกข์ทุกเวทนายอย่างหนักถ้ายิงคิดว่าในเมื่อร่างกายเป็นศัตรูเป็นของหน้าตัวแบบนี้ <c oughs> เราก็ควรจะหนีร่างกาย แต่ก่อนจะไปแล้วก็ทำลายศัตรูแค่ก่อนเราต้องชนะศัตรูนั่นคือว่าฆ่าร่างกายเสียให้มันตายไปท่านก็ตั้งใจเตรียมตัวคิดว่าถ้าร่างกายมีกําลังดีเมื่อไรสามารถไยิบจะหีิบมีดได้เราจะนํำมีโกนมาเชวยคอให้ร่างกายมันตายไปทิ้นชื่อร่างกายอย่างนี้ไม่ด้วยต้องการมันอีกแล้วก็ในโอกาสใกล้ๆนั้นก็ปลายกฎ ากฏว่าการต่างๆของโรคมันลดรวพอสมควร <c oughs> ท่านก็รวบรวมกาลังใจคุมฌานให้ทรงตัวเมื่อฌานทรงตัวกําลังกายก็ดีขึ้นเพราะกาลังฌานจึงไปนำไมโกนมาเชื่อคอการเชื่อคอของท่านเวลาไมโกนจดไปที่คอเวลานั้นจิตตัดร่างกายก็พร้อมกับความเป็นพระอรหันต์ เมื่อช่วยคอตายเชืองก็ไป น, นิพ <c> พ <oughs> านเราไม่ใจลงไม่ดีนะเรื่องราวก็ไม่หมดเท่านี้นะนั่นถือว่ากฎค้งกรรมกรรมของความดีกับกรรมของความชั่วมาความประสานกันกรรมความชั่วคือโทษปลายนาติบาตทําให้ร่างกายเป็นทุกข์เป็นโรคแต่กรรมของความดีเข้ามาสนองซึ่งความเป็นพระอรหันต์ด้วยความเป็นพระอรหันต์นมิมมานดาแทนพระสุภัช ก็อยู่ที่การสนใจไม่สนใจก็นนะร่างกายอย่างเดียวถ้าเราไม่สนใจกับร่างกายเมื่อไรเวลานั้นเป็นพระรารเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะในขณะที่รบโคธิกาเตรียมตัวคิดว่าจะนำมิโกนมาเชิดคอตอนนั้นพยามาราธิราชตามภาษานังสือที่พรียพามาราธิราช แต่ความจริงชื่อเดิมเนี่ยเท้ามาลัยเป็นเทวดาช่านประนิมมิตวั ส, สวัสดีเราเรียกก็ว่าพญามารแต่ความจริงไม่ใช่มารพญามาราธิราชองค์นี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งก็ดีก็เป็นเพื่อนกับพระเจ้ามาในกาลก่อนรอนนี้ท่านมาหลงผิดเมื่อพระพุทธเจ้าสมุทรอวิเศษสมาทัทานโพธิญาณแล้ว ท่าก็เกลงว่าองค์สมเด็จพระปรมธแกดวจะขนคนปณิพาน์าหมดนะต่อไปเมื่อท่านเป็นพระวิเศษสมาธิมุติยานจะไม่มีโรกศริษย์ท้บคําสอนแม่ไม่น่างโงแ่แนะบบนั้นนะท่านวโรดิษก็โง่แบบนี้ก็มีด้วยกระรองความว่าไม่เมื่อพระพุทธเจ้าออกสแสวงหาที่เนสเยกรมออกไปจากวังเท่านั้นท่าก็ห้ามว่าสิทธะเธอจะไปไหน อีก7วันตำแหน่งจักรพรรดิราชปกครองโลกจะมาถึงเธอแล้วเธอจะไปเลยพระพุทธเจ้าบอกฉันจะไปหาโภหหาพิเนศกรมสวงหาพิเนศกมทั้งกรรมมันเครื่องพน้นต่อมาเมื่อพระเจา้าสมุทรวิเศษสมาทัปุปติยานพญามาลาที่ได้ก็มากลัวอี ก, กว่าเวลานี้ถ้าบรรลุแล้วก็นิพพานไปเถอะอย่าอยู่สอนชาวบ้านให้ทนบากเลยทำให้บรรลุได้ยาก พ้ะพเจ้าก็บอกว่าถ้าบริษัทสี่คือบาสุกบาิกาภิสุกพิสุณีไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพียงใดแต่ถาคตจะยังมมิผ่านก่อนก็เป็นอันว่าพญามาราที่ได้ก็หาทางจ้องทำลายความดีข้าพเจ้าแต่ไม่ฉันไม่ฉัดไดเลยตรงตอนนี้ก็ดูที่คนเขาจะบรรลุมรคน ใครเริงกรรมฐ า, านที่ไหนท่านท่าทางจะดีบางทีก็ไปหลอกซะบ้างทำให้ตกใจบ้างไปนั่งใกล้ๆทำให้กลัวบ้างมั่วจิตวันไหวแบบนั้นก็ไม่ในธรรมะคือไม่ในพระมรรคผล <c oughs> เวลานั้นปรากฏว่าท่านพิจารณาเห็นพระโคติกะ <c oughs> การที่พระโคดิกะจะเชื่อคอแบบนี้แล้วจิตไม่ไม่ไม่สนใจร่างกายเกลียดร่างกายอย่างนี้เป็นการพ้นวิสัยของท่าน ถ้าไม่สามารถจะควบคุมได้นั่นคือหมายความว่าคนนี้จะถึงนิพพานเวลาดันเองพระพุยายมาราธิราชก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจิตตมานแปลงเป็นชายหนุ่มผิวเหลืองเป็นคนหนุ่มเรอบร่างหน้าโตวสวยกล่าวาว่าจาว่าทศวรมณะโคดมเวลานี้ลูกชายของท่านจะช่วยคอตายขอให้ท่านจงไม่ห้ามลูกชายของท่าน พระพุเจ้าฟังแล้วก็กสาบพระพุทธิกะตายคราวนี้นไปนิพพานในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนคนเพื่อปนิพพานเรื่องอะไรทท่านจะห้ามท่านกล่าวว่าท่านจึงกล่วว า, ล ว, ว, าลวว่าปาปิมะดูก่อนมานผู้มีบาตพผู้สาบแปลงตัวไปแล้วนะ่ะเห็นไหมแปลงตัวไปเป็นคนเป็นคนหนุ่มผิวเหลืองรูปร่างหนาตาสวยยังรู้อีกเห็นไหมบอกท่าบอกาปาปิมะดูก่อนมานผู้มีบาต กิจเท่งการกิจเทงการห้ามโคติกะบุชายของเราไม่มีแล้วปลายกฎวิยามันก็ถอยในเมื่อพระเจ้าไม่ห้ามตอนนั้นก็ทราบว่าพระโคติกะเชื่อคอตายและพระเจ้าทร ง, งกล่าวว่าปาปิะดปาปิมดปะมดูก่อนมารผู้มีบาปโคติกะพ้นวิสัยของเธอเสียแล้ว ในกระบายความว่าพระโกติกะไม่เวียนไร้ใจเกิดในวัฏฏะปณิพานแล้วพระยามานไม่เชื่อก็หอกไปดูตามมีมานต่างๆในเทวดาทุกชั้นพรมทุกชั้นในเมฆในหมอกทุกชั้นในที่สอกเขาทุกแข่งทั้งหมดไม่พบพระโกติกะก็กลับมาถามว่าพระเจ้าใหม่ว่าพระโคติกะไปไหนพระเจ้าบอกว่าพระโกติกะปณิพานที่ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน การพิจารณาเร่อร่างกายเป็นของน่ากลัวเอาแต่เพีาายงแค่น่ากลัวนะไม่ต้องไปฆ่าร่างกายกันนะทุกคนจะตัดสินใจช่วยคอตายพร้อมกันหมดแต่ใช้ไม่ตกลงนะความสกุลไม่ไหว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือไม่ต้องเอาอย่างนั้นให้พิจารณาว่าร่างกายก็พระโคติกาพระโคติกาเป็นคนมีบุญวาสนาบารมีถึงความเป็นพระอรหันต์ แต่ก็ในตอนต้นพระโคจิกะก็ถูกถูกบาปปานาริบาตทรมานอย่างหนัก mm. เมื่อเป็นแคว่วาดก็ไม่ป่วยพอเข้ามาบวชพระฟังเทศน์พระเจ้าปฏิบัติได้ชันโลกีก็ป่วย mm. ป่วยยั่งท่านสร้างความดีต่อไม่ได้นี่เป็นกฎของกรรมไอ้กฎของกรรมเนี่ยหักล้างไม่ได้แม้สมัยอยู่เจ้าเองก็ไม่สามารถหักล้างได้ แล้วต่อมาจะเรือความดีที่ทำมาแล้วติดตามมาทีหลังประสานกับความชั่วคือกดขุงกรรมที่ไป อ, อุปนิสกรรมไปานาัดิบาทยังไม่พ้นไปเวลานั้นความดีเก่าที่ไปเอาสงใหญ่ก็มาถึงเพื่อความเป็นพระาราหจึงตัดสินใจช่วยคอตายนี่เราก็คิดกันตามนี้ว่าร่างกายของเรามันไม่ดีอย่างนั้นคนทุกคนมีความหิวทุกคนใช่ไหมหิวไหม หิวเลยหิวอย่างเราต้มขนอกก็มีความหิวเป็นทุกข์เรากินทุกวันมันก็ไม่อิ่มจริงกินตอนเชา้าอิ่มตอนเชา้าตอนสายหิวกินกลางวันอิ่มกลางวันพอนนประบายก็หิวกระนงความเราต้องกินอย่างนี้ทั้งชาติจะเกิดมากี่ชาติก็ต้องกินแบบนี้ กินดีแสนดีขนาดไหนก็ตามร่างกายก็ป่วยร่างกายก็แก่ร่างกายก็ต้องพัดกลาเจ้าของรักของชอบใจร่างกายท้องตายฉะนั้นเห็นว่าการเกิดมีร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายเกิดก็แล้วก็ดับข้อที่หนึ่งพิพิธนายางข้อที่หนึ่งเกิดแล้วก็ดับเป็นที่สุด พี่ปรัชนาญาณข้อที่สองเห็นว่ามันดับมันเสื่อมไปทุกวันไอ้ตัวเสื่อมคือตัวดับ <c oughs> ความเป็นหนุ่มเป็สาวลดน้อยไปวันลหน่อยแน่อยั่ตัวดับ <c oughs> ในเมื่อมันลดไปแล้วมันดับไปแล้วแล้วเรียกคืนมาไม่ได้พีปรัชนาญาณข้อที่สามให้ร่างกายเป็นของน่ากลัวกลัวอะไรรู้ไหมกลัวการเกิดเท่านี้ยังไม่พอ ในเมื่อเรามีร่างกายบรรดาเจ้าพรบริษัทสิ่งเท่าไรตีเลี่ยง ก, ก็ไม่ได้มีอย่างนึ่งนั่นคือบาปทุกคนต้องมีบาปมีไหมคุณอะมีเก็บไว้กระเป๋าไหนทุกคนต้องมีบาปจะนี้ว่าฉันพูดแต่ฉันไม่มีบาปเนี่ยล่อมาเยอะเหมือนกันเหไมเหมือนกันทุกคนต้องมีบาปฆ่าพุก็บาปฆ่ายุงก็บาปฆ่าสารเล็กพ็นั่งก็บา ป, าบาปใช่ไม ยิ่งแม่เราไม่ทําใหญ่ทําได้ก็ก็ชีวิตมดก็หนึ่งชีวิตปลายก็หนึ่งชีวิตคนก็หนึ่งชีวิตก็ชีวิตเหมือนกันกระรงความบาปกันทุกคนต้องมีนิ่งขอหน้กกากัวถ้ามีบาปอยู่บรรดาเต็มพุตตะวิษัทถ้าเราตายที่กําลังของบาปสูงขึ้นมันจะนําลงมาอาบายภูมิตัวใหญ่กว่านั้นนะน่ากลัวมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกนิดเดียวแล้วก็แย่ แย่ๆจะไม่แย่ขนาดไหนก็ตามแล้วก็ถอยไม่ได้ตามกฎค้องคำจนกว่าจะสิ้นกฎค้องคำตายว่าเรามีความดีนิดหน่อยก่อนตายแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าบังเอิญไปสวรรค์ทั้งๆที่ทมีบาปมีบาปพ่วงอยู่ข้างหลังแต่ว่าเวลาก่อนตายจิตนึกถึงกุศลไปสวรรค์ก่อนถ้าหมดบุญวัสนาบารมีก็พุ่งลงนรกใหม่แล้วก็ทุกข์อีก นั่นขาบรรดาญาโยมพระสุตตังหลายตัดสินใจตัดร่างกายเสียไม่ต้องตัดอย่างโภิกานะคือคำว่าตัดค่อยๆตัดให้าร่างกายเป็นของไม่ดีเป็นของน่ากลัวแล้วเข้าไปจับกิเลสให้เพิ่มเรื่งพ้นเพื่อนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ต้องทั้งวันนะวันตื่นเช้าแป๊บนึกแป๊บเดียวพอแล้ว คือวันนี้อาจจะตายก็ได้อาจจะตายวันนี้พรุนี้มะเร็ก็ได้แต่เราก็ไม่แน่ใจคิดว่าจะตายวันนี้เป็เสมอทำงานทุกอย่างให้ครบถ้วนทรงความดีให้ครบถ้วนตามที่ทำได้ความดีคือว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ต้องหนักนักแล้วก็พยายามทรงสินให้บริสุทธิ์ถ้าได้กำหนดสิทธิ์จะดีมากกำหนดสิทธิ์มีอะไรบ้างทางกายก็หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤ้พิธกรรมแถมแถมทิ้งท่าอีกหน่อยแล้วก็สี่ไม่เดืยมสุราดเมรัยทางวาจามีสี่ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุโยงสงสัยก็แตกร้ากันไม่พูดวาจาเหลวไหลทางจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำเขาไม่ให้ก็ไม่เอา แล้วก็ไม่คิดจองล้างจองผายใครยอมรับนับถือคาสอนพุทเจ้าโดยตรงแค่นี้ก็มดสิทธิ์ถ้ารักได้ศิ้นห้าบริสุทธิ์จะเป็นพระโสดาบันย่างหยาที่เดียวสตากถตรงถ้าได้กัมมดศิษย์ขั้นต้นอันยังกมมดศิษย์ยันหยาจะเป็นสโสดาบันขั้นกลางที่เดียวโกลังโกรละถ้าหากว่ได้กัมมดศิษย์ยันละเอียดยือคุมอารมณ์อยู่โดยไม่ต้องระมัดระวัง อย่างนี้ละเอียดจะเป็นพระโสดาบันขั้นเอียดที่เรียกวเอกวิชีถ้าทําได้อย่างนี้บรรดาธรรมปุถุสัตว์สิ่งที่น่ากลัวเกบายบบมิมจะไม่มีกับทุกท่านบาปทั้งหมดไม่ผลทุกคนตายจากความเป็นคนไปสวรรค์เนื้อผมจะลงมาก็แค่มนุษย์เวียนไปเวียนมานิดหน่อยสองสามชาติก็ไปนิพพานอรันดาญาโยมปุทุสัตว์ทุกท่านเวลาหมดพอดีตอนนี้ไปอรรดาญาโมายมกันหลายตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานเป็นกรรมฐาน